ยานที่สามสมมสนายานและมักคามัคคายานพัะสนะวิสุทธิสมมสนญ า, านคือปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลังจากเห็นประจักษ์พระไตรลักษณ์นั้นแล้วมหมายความว่าผู้ที่รู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นจากประสบการณ์ของตนแล้วย่อมอนุมานรู้ลักษณะดังกล่าวของรูปนาม ที่ตนไม่ได้เห็นประจักษ์ดังคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดรวมสภาวะธรรมอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าสัมมาสนญาณคือปัญญาในการพิจารณาเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุปัจจยะปริคขะหะยานอย่างยิ่งยวดแล้ว ย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะทำให้ทราบว่ารูปนามที่พบอยู่นั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วดับไปจึงเข้าใจไตร ล, ลักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นและดับไปมีสภาพเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่เสมอและไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อาจบังคับให้เที่ยงและเป็นสุขได้ ผู้ที่เข้าใจอย่างนี้เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งย่อมพิจารณาโดยอนุมานรู้รูปนามทั้งหมดได้ว่ารูปนามที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดมีสภาวะอย่างนี้คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนโดยเปรียบเทียบกับรูปนามปัจจุบันที่ตนรู้เห็นประจักษ์ดังนั้นสมมสนญาณ จึงเป็นปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดโดยรวมว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่การกำหนดรู้ลักษณะพิเศษของรูปนามทีละอย่างในปัจจุบันขณะยานดังกล่าวยังมีชื่ออื่นอีกว่ากลาปะสัมมสนายานยานพิจารณาโดยความเป็นกลุ่ม ไม่ได้อย่างเห็นรูปนามทีละอย่างเหมือนปัจจักรยานคือยานรู้เห็นโดยประจักษ์นยวิปัสนาวิปัสนาที่อย่างเห็นโดยอาศัยในจากรูปตามที่ตนเห็นประจักษ์แล้วญานามนาสิกานความใส่ใจโดยอาศัยในจากรูปนามที่ตนเห็นประจักษ์แล้วนยยทัศนา การรู้เห็นโดยอาศัยนายจากรูปนามที่ตนเห็นประจักแล้วชื่อสองอย่างแรกพบในคัมภีวิสุทธิมักชื่อสองอย่างหลังพบในอัตกถาของกถาวัตถุดังข้อความในคัมภีนั้นว่าในเรื่องนั้นเมื่อความไม่เที่ยงของสังขารแม้รูปเห็นแล้วอย่างหนึ่งความใส่ใจโดยนายที่อนุมานรู้ ย่อมมีได้ในสังขารที่เหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 1. นงึคำว่าสัพเพสังขาราเป็นต้นกล่าวไว้โดยหมายถึงการรู้เห็นโดยในสองไม่ได้หมายถึงการรู้เห็นโดยความเป็นอารมณ์ในขณะจิตเดียวข้อความข้างต้นหมายความว่าสัมมาสัญญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณที่ปรากฏเป็นลำดับแรก แต่เป็นยานที่เกิดขึ้นเองโดยพิจารณาไตรลักษ์ของรูปนามทั้งหมดหลังจากได้อย่างเห็นไตรลักษ์ของรูปนามปัจจุบันอย่างชัดเจนสมัสนานยานนี้อาจปรากฏเป็นเวลานานแก่ผู้มีปัญญาแก่กล้าหรือผู้ได้ศึกษาหลักธรรมมาก่อนนำให้วิปัสสนาญาณไม่ก้าวหน้าต่อไปเพราะมุ่งพิจารณาสภาวะธรรมเป็นหลักดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรพิจารณาให้มากนะักในคำพีปฏิสัมพิธามักไม่กล่าวถึงยานนี้ไว้โดยพิสดารตามบุคคลหลายประเภทที่พิจารณาต่างกันขอนำมาแสดงโดยย่อเป็นอุทาหรณ์ในที่นี้ว่า 1. รูปขันอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในหรือภายนอกทั้งหยาบหรือละเอียด ทั้งเลวหรือประณีตทั้งอยู่ไกลหรือใกล้ 2. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกําหนดรู้รูปขันทั้งหมดนั้นว่าไม่เที่ยงนี้เป็นสมมติยานอย่างหนึ่งกําห น, หนดรู้รูปขันทั้งหมดนั้นว่าเป็นทุกข์นี้เป็นสมมติยานอย่างหนึ่งกําหนดรู้รูปขันทั้งหมดนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนนี้เป็น สมัสนญ า, านอย่างหนึ่งปัญญาในการกําหนดรวมรูปอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นสภาพเสื่อมไปเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาพน่ากลัวและไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสภาพไร้แก่นสารชื่อว่าสมัสนญ า, านปัญญาในการกําหนดรวมรูปอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยเหตุมีสภาพเสื่อมไปมีสภาพสิ้นไปมีสภาพสูญไปมีสภาพดับไปชื่อว่าสมาสณะญานนอกจากการพิจารณารูปแล้วยังมีการพิจารณาเป็นสามวาระคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนในนามขันสี่ทวารหกรวมอารมณ์6ก วิญญาณหภัษะหเวทนาหเป็นต้นอีกด้วยในที่นี้จะไม่แสดงวาระทั้งหมดไว้เพราะทำให้เนื้อหามากเกินไปขอแสดงความปรากฏของยานต่อไปนอกจากเวทนาหแล้วยังมีตันหา6วิตกหวิจารหทธาตุหกระสินสิบกธานะ32อายตนะ12สอง ธาตุสิอินทรีย์22่ธาตุสในวงเล็บกรรมธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุภพสาในวงเล็บกรรมภพรูปภพและอรูปภพภพสมอีกอย่างหนึ่งในวงเล็บสัญญาภพอสัญญาภพและเนวสัญญานาสัญญาภพ ภพสามอีกอย่างหนึ่งในวงเล็บเอกโวการภพจตุโวการภพและปัจจโวการภพรูปฌานสี่อปมัญญาสี่อรูปสมาบัตส4ปฏิจจสมุปบาท12อ น, นิจจะสมัมมสนะ ในวงเล็บการพิจารณาว่าไม่เที่ยงผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถกําหนดรู้เท่าทันปัจจุบันได้ย่อมรู้เห็นว่าสภาวะพองสภาวะยุบสภาวะนั่งสภาวะเหยียดสภาวะคู้สภาวะเคลื่อนไหวเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นสภาวะพองปรากฏขึ้นแล้วดําเนินไปชั่วขณะจึงสิ้นสุดลง แล้วจึงเกิดสภาวะยุบหลังจากนั้นสภาวะพองจึงเกิดขึ้นอีกจะเห็นได้ว่าสภาวะยุบไม่มีในสภาวะพองและสภาวะพองไม่มีในสภาวะยุบแม้สภาวะยกย่างและเหยียบก็เกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดลงในแต่ละขณะสภาวะยกไม่มีในสภาวะย่างสภาวะย่างไม่มีในสภาวะเหยียบ ดังนี้เป็นต้นเขาย่อมเข้าใจว่ารูปที่กำหนดอยู่นั้นไม่เที่ยงเขาย่อมอนุมานรู้ว่ารูปทั้งหมดในอดีตมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนรูปในปัจจุบันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในอดีตมิได้ปรากฏในปัจจุบันข้อนี้เป็นสมมนิยานอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดในอดีตย่อมดับไปเหมือนรูปที่กำหนดรู้ในปัจจุบัน ไม่มีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตที่จะดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมชนญญาณอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดในอนาคตมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนรูปในปัจจุบันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในอนาคตมิได้ปรากฏในขณะอื่นด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยง เพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมัสนายานอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดในปัจจุบันมีสภาพไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงในปัจจุบันมิได้ดำรงไปถึงพบอื่นด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมัสนายานอย่างหนึ่งในขณะหายใจออกพ่นควันบุรี บ้วนน้ำลายทำกิจอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้นเมื่อรู้เห็นเวลากำหนดว่าสภาวะหายใจออกเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้ น, น, นย่อมเข้าใจว่ารูปภายในทั้งหมดดับไปในภายในไม่ดำรงอยู่ถึงภายนอกด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่ง ในขณะหายใจเข้าสูบบุหรีกลืนน้ำลายดื่มกินอาหารเป็นต้นเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสภาวะหายใจเข้าเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้ น, น, นย่อมเข้าใจว่ารูปภายนอกทั้งหมดดับไปในภายนอกไม่ดำรงอยู่ถึงภายในด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไป ข้อนี้เป็นสมมติยานอย่างหนึ่งในขณะที่สีเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสปรากฏชัดแล้วค่อยๆละเอียดลงเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสีเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปหยาบทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปละเอียดด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไป ข้อนี้เป็นสมสนญ า, านอย่างหนึ่งในขณะที่สีเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสละเอียดไม่ปรากฏชัดแล้วค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสีเป็นต้นหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปละเอียดทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปหยาบด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยง เพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่งในขณะรู้สึกเบาสบายมีสุขภาพดีกว่าขณะที่รู้สึกไม่สบายเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่ารูปเลวหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปเลวทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปประณีดด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไป ข้อนี้เป็นสมันายานอย่างหนึ่งในขณะรู้สึกไม่สบายมีสุขภาพทรุดโทรมกว่าขณะที่รู้สึกสบายเมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่ารูปประณีตหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปประณีตทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปเลวด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมันญ า, านอย่างหนึ่ง ในขณะเหยียดแขนหรือขาเป็นต้นเมื่อรู้เห็นในเวลากําหนดว่าสภาวะเหยียดหมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปไกลทั้งหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปใกล้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมันายานัาณอย่างหนึ่งในขณะคู่แขนหรือขาเป็นต้น เมื่อรู้เห็นในเวลากำหนดว่าสภาวะคู่หมดสิ้นไปในขณะนั้นๆย่อมเข้าใจว่ารูปใกล้จะหมดดับไปแล้วไม่ตั้งอยู่จนถึงเป็นรูปไกลด้วยเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีสภาพเสื่อมสิ้นไปข้อนี้เป็นสมสนญาณอย่างหนึ่ง ทุกขาสัมมาสนาในวงเล็บการพิจารณาว่าเป็นทุกข์ผู้ที่อายุยังน้อยคบหาสมาคมกับคนวัยใกล้เคียงกันอยู่อย่างรื่นเริงย่อมยากที่จะเข้าใจว่ารูปนามของตนเป็นสิ่งน่ากลัวแต่ผู้ที่อายุมากขึ้นแล้วพบกับศพคนสูงอายุที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยอีกทั้งตนเองก็เจ็บป่วยไม่สบายคิดได้ว่าจะต้องตาย ย่อมสำคัญรูปนามของตนว่าน่ากลัวในกรณีเดียวกันผู้ที่ไม่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ย่อมไม่สำคัญว่ารูปนามน่ากลัวต่อเมื่อได้รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามว่าไม่ได้ตั้งอยู่เพียงชั่วพริบตาเดียวย่อมเข้าใจว่ารูปนามน่ากลัวเพราะเกิดขึ้นแล้วดับศูนย์ไปหรือเข้าใจว่ารูปนามน่ากลัว น่ารังเกียจไม่ดีงามเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับผู้เข้าใจว่ารูปนามมีสภาพน่ากลัวเพราะขณะแห่งความตายปรากฏในทุกขณะที่รูปนามเก่าดับไปแล้วรูปนามใหม่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีเวลาใดที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ตายนอกจากนั้นในเวลาที่รู้สึกถึงทุกขเวทนาที่ตนได้ยาก ก็เข้าใจว่าเป็นกองทุกข์ไม่ใช่สุขถาวรตามที่ตนต้องการด้วยเหตุนี้ผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของสภาวะพองยุบนั่งเหยียดคู้เคลื่อนไหวย่อมเข้าใจว่ารูปดังกล่าวน่ากลัวไม่ดีงามเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับหรือเพราะดับสูญอยู่เสมอหรือเพราะ เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ที่ทนได้ยากผู้ที่เข้าใจรูปปัจจุบันว่าเป็นทุกข์โดยประจักษ์ได้อย่างนี้ย่อมอนุมานรู้รูปอดีตและรูปอนาคตเป็นต้นว่าน่ากลัวไม่ดีงามเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นโดยความเกิดดับหรือเพราะดับสูญอยู่เสมอเหมือนรูปปัจจุบันความพิสดารของเรื่องนี้เหมือนอนิจจสมสณนะ อนตัตตสัมมาสนะในวงเล็บการพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวตนคนข่าวที่ไม่ได้รู้เห็นสภาพจริงของรูปนามโดยประจักษ์มักเข้าใจว่าอัตตาหรือวิญญาณมีอยู่ในร่างกายศาสนาพราหม์จึงกล่าวถึงวิญญาณไว้หลายลักษณะโดยเฉพาะผู้แต่งคำพีวิเศษสิกทัศนและ นัยยายทัศนะกล่าวว่าอัตตาเป็นเจ้าของแห่งร่างกายผู้ครอบครองร่างกายทั้งหมดหรือร่างกายบางส่วนอันจำแนกเป็น 1. พุทธินสีห์ห้าคืออินทรีย์ที่รับรู้อารมณ์ได้แก่หูผิวหนังตาลิ้นและจมูก 2. กรรมนินสีห์ห้าคืออินทรีย์ที่เป็นกรรม ได้แก่ปากมือขาอวัยวะเพศและทวนนะารหนัก 3. อุพยินซีหนึ่งคืออินรีที่รับรู้อารมณ์และเป็นกรรมได้แก่จิตพระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะให้ขจัดความยึดมั่นในอัตตาจึงตรัสไว้ในอนัตตลักษณ์คณะสูตรว่า 1. โดูกระพิสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา 2. ถ้ารูปนี้เป็นอัตตาซ้ายก็ไม่ควรเป็นไปเพื่ออาพาธ3และควรมีการบังคับในรูปได้ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้ผู้แต่งคำภีมีมังสากล่าวว่าอัตตาเป็นผู้ทำอากัปกิริยาทางกายวาจาและใจโดยทำกิริยาเห็นและได้ยินด้วยตาและหู พร้อมด้วยการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคูเป็นต้นดังคำพีอภิธรรมมัทธวิภาวินีได้คัดค้านความเห็นนั้นว่าอันหนึ่งพึงทราบว่าการแสดงอย่างนั้นมีประโยชน์เพื่อแสดงความไม่มีของพูดธรรมเป็นต้นที่พ้นไปจากสภาวะธรรมแม้ในคำพีอัตกฐามัชฌิมานิกายสติปัฐานสูตรก็กล่าวว่า ภิสษุในธรรมวินัยนี้ก้าวไปหรือถอยกลับย่อมไม่หลงผิดเหมือนปุถุชนคนบอดที่หลงผิดในการก้าวเป็นต้นว่าอัต t าก้าวไปการก้าวไปมีอัตตาทำให้เกิดขึ้นหรือหลงผิดว่าเราก้าวไปการก้าวไปมีเราเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าอัตตาผู้แลดูหรือเหลียวดูไม่มีภายใน ขึ้นชื่อว่าอัตตาผู้คู่หรือเหยียดไม่มีภายในผู้แต่งคำพีมีมังสาและสังคยากล่าวว่าอัตตาเป็นผู้เสวยผลที่เป็นสุขหรือทุก์โดยหมายเอาเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นอัตตาในอัตถกถาของสติปัฏฐานสูตรกล่าวคัดค้านความเห็นนั้นว่า 1. ในเรื่องนั้นคำว่าโกเวทยติ หมายความว่าสัตว์หรือบุคคลใดๆรู้สึก 2. คําว่ากัสสะเวทนาหมายความว่าความรู้สึกของสัตว์หรือบุคคลใดๆ 3. คําว่ากิงการนาเวทนาหมายความว่าความรู้สึกของเขามีที่ตั้งเป็นอารมณ์ 3. คําว่ากิงการนาเวทนา หมายความว่าความรู้สึกของเขามีที่ตั้งเป็นอารมณ์ 3. ดังนั้นภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาเท่านั้นย่อมรู้สึกโดยกระทําที่ตั้งของสุขเป็นต้นนั้นๆให้เป็นอารมณ์มีเพียงคํากล่าวว่าเรารู้สึกโดยเนื่องด้วยความเป็นไปของเวทนานั้นอนหนึ่งในดีกาของสติปัฏฐานสูตรได้คัดค้านความเห็นว่า อตาคือเวทนาที่เป็นผู้ทำกรรมนั้นว่าพระอัตถกถาจารจะแสดงความเป็นกัตตาของสภาวธรรมนั่นแหละเพราะไม่มีกัตตาอื่นที่พ้นไปจากสภาวธรรมจึงกล่าววา่าเวทนาวะเวทยติเวทนาเท่านั้นย่อมรู้สึก คณาจารย์ฝ่ายพรามทั้งหมดมีความเห็นเกี่ยวกับอัตราว่าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดการแม้ร่างเดิมจะดับสลายแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยย้ายไปสู่ร่างใหม่สิ่งที่ยังร่างกายทั้งหมดและบางส่วนคืออินทรีย์เป็นต้นให้ดำเนินไปตามความต้องการของตนสิ่งที่ควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามที่ต้องการพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านความเห็นเรื่องอัตตา ในลักษณะที่คงอยู่ตลอดการเป็นต้นไว้ในฉะชะกะสูตรและอนัตตลักขณะสูตรเป็นต้นความยึดมั่นอัตตามีหลากหลายคืออัตตามีอยู่ในขันหนึ่งขันหนึ่งบ้างขันสองบ้างขันสามบ้างขันสี่บ้างขันห้าบ้างในสมัยพุทธกาลมีนิครนหรือนามชื่อว่าสัจกะได้ยึดถือขันห้าว่าเป็นอัตตา ดังคำยอมรับต่อหน้าเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรานอกจากนี้ บางคนยังยึดถือบัญญัติคือวงกสินเป็นต้นที่พ้นไปจากขันห้าว่าเป็นอัตตาความยึดถือดังกล่าวเนื่องด้วยขันห้าจึงนับเข้าในขันห้านั่นเองอันหนึ่งรูปร่างของอัตตนั้นกล่าวไว้ในคำพีศาสนาพราหมผู้สนใจอาจศึกษาได้จากคำพีอภิธานิสัยใหม่คำอธิบายคาถา92ของพระอัคธรรมมาพิวงศ คนในปัจจุบันมักยึดถือสำคัญว่าเราเป็นผู้เห็นได้ยินเรายืนเราเดินนั่งนอนเหยียดคู่พูดหรือสำคัญว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์เราเห็นหรือเดินได้ตามต้องการมีวิญญาณหรือกายทิพย์ที่คงอยู่ตลอดไปไม่แตกสลายความสำคัญดังกล่าวจัดเป็นความยึดมั่นอัตราตามความเห็นของศาสนาพราหมณ์ ดังนั้นผู้ที่พิจารณาด้วยความเข้าใจจากการสดับว่ามีเพียงรูปนามที่เกิดดับอยู่ไม่มีวิญญาณหรือกายทิพที่ทำกิจตามที่ต้องการได้ย่อมไม่อาจขจัดความยึดถือดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ความปรากฏของอนัตตา ผู้ปรารบความเพียรที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ได้แล้วย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตัวตนไม่มีจริงมีเพียงรูปนามที่เกิดดับไม่ขาดช่วงเท่านั้นเพราะเขาพบเพียงรูปนามในปัจจุบันโดยไม่พบเห็นสิ่งที่เป็นตัวตนดังนั้นเมื่อเขารู้เห็นสภาวะพองยุบนั่งเหยียดคูเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วดับไปไม่ขาดช่วงย่อมเข้าใจว่ารูปเหล่านี้เกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยย่อมเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยหมดสิ้นย่อมดับไปไม่มีแก่นสารที่ควรเรียกว่าอัตราซึ่งคงอยู่ตลอดการและทำให้ดำเนินไปตามความต้องการของตนหรือจัดการทุกสิ่งในรูปที่เกิดดับอย่างนี้ เขาย่อมเข้าใจว่าอัตตาตัวตนไม่มีรูปโดยแท้ความเข้าใจดังกล่าวเป็นการรู้เห็นอัตตาคืออนัตตาสัมมาสนญาณมักปรากฏขึ้นในขณะเหล่านี้คือเมื่อพบความเกิดขึ้นของรูปที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อพบความดับไปของรูปที่ไม่ต้องการให้ดับไปเมื่อพบความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะ ด้วยเหตุนี้ในพระบาลีพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าปัญญาในการกำหนดรวมในวงเล็บสภาวธรรมว่าเป็นอนัตตาเพราะเป็นสภาพไร้แก่นสารชื่อว่าสมสาาัสณญาณในคำพีวิสุทธิมักได้อธิบายข้อความข้างต้นว่าหนึ่งรูปทั้งหมดนั้นชื่อว่าอนัตตาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแกนสาร 2คำว่าอาสารกัตเถนะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหมายความว่าเพราะไม่มีแก่นสารตามที่คนเขาเข้าใจคืออัตตาเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมที่เสวยผลกรรมหรือสิ่งที่มีอํานาจเหนือร่างกาย3โดยแท้จริงแล้วสภาพไม่เที่ยงและ เป็นทุกข์ไม่อาจห้ามความไม่เที่ยงหรือความบีบคั้นด้วยความเกิดดับของตนได้ 4. ความเป็นผู้ทำกรรมเป็นต้นของสภาพนั้นจึงไม่มีโดยแท้นอกจากนั้นในคำพีวิสุทธิมรรคได้อธิบายความหมายของคำว่าสัญโตและอนัตโตว่าหนึ่ง ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้ชัดว่าว่างเปล่าเพราะปราศจากเจ้าของแห่งขันสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ทำกรรมสิ่งที่จัดการดูแล 2. และย่อมรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะความไม่ใช่เจ้าของแห่งขันเองข้อความข้างต้นนี้แสดงว่าการใส่ใจพิจารณาว่าตัว ต, วตนไม่มี ยังไม่ใช่ปัญญาที่รู้เห็นอนัตตาแต่การรู้เห็นว่าไม่มีตัวตนที่เคยสำคัญผิดว่าเป็นเจ้าของแห่งขันและเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดการเป็นต้นจึงเป็นปัญญาที่รู้เห็นอนัตตาอย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่าแม้อรูปพรหมจะไม่มีรูปร่างก็ยังมีอัตติฐิคือความเห็นผิดว่ามีอัตตา ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นรูปปัจจุบันว่าเป็นอนัตตาโดยประจักษ์แล้วย่อมอนุมานรู้รูปอดีตเป็นต้นว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนรูปปัจจุบันเพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดดับไปตามธรรมชาติความพิสดารในเรื่องนี้เหมือนการพิจารณาความไม่เที่ยงที่กล่าวมาแล้วแม้ความปรากฏของสมัสนญาในเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันก็เช่นเดียวกันในที่นี้จะกล่าวเรื่องวิญญาณขันคือจิตโดยความเป็นสภาพภายในและสภาพภายนอกเป็นต้นจิตที่กําหนดรับเอาอารมณ์ในร่างกายชื่อว่าอัจฉจิตคือจิตภายในส่วนจิตที่กําหนดรับเอาอารมณ์ภายนอกร่างกายชื่อว่าพหิทธจิต คือจิตภายนอกเมื่อมีสติกำลังมากขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นจิตภายในและจิตภายนอกว่าดับไปในขณะนั้นเมื่อกำหนดรู้จิตสลับกันที่ภายในและภายนอกย่อมเข้าใจว่าจิตภายในไม่ได้ออกไปภายนอกแต่ดับไปที่ภายในจึงไม่เที่ยงอีกทั้งจิตภายนอกก็ไม่ได้เข้ามาภายใน แต่ดับไปที่ภายนอกจึงไม่เที่ยงเมื่อกําหนดรู้จิตหยาบและจิตละเอียดสลับกันเขาย่อมเข้าใจว่าจิตหยาบไม่ได้กลายเป็นจิตละเอียดแม้จิตละเอียดก็ไม่ได้กลายเป็นจิตหยาบจิตดังกล่าวดับไปในขณะนั้นๆจึงไม่เที่ยงเมื่ออกุศลลจิตเป็นต้นเปลี่ยนจากสภาพเดิมเขาย่อมเข้าใจว่าอกุศลลจิตที่เป็นจิตเลวไม่ได้กลายเป็นกุศลจิต อันปราณีตแม้กุศลจิตก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอกุศลจิตจิตดังกล่าวดับไปในขณะนั้นๆจึงไม่เที่ยงเมื่อกำหนดรู้จิตไกลและจิตใกล้สลับกันเขาย่อมเข้าใจว่าจิตไกลไม่ได้กลายเป็นจิตใกล้แม้จิตใกล้ก็ไม่ได้กลายเป็นจิตไกลจิตดังกล่าวดับไปในขณะนั้นๆจึงไม่เที่ยง อันหนึ่งในคำพีวิสุทธิมากกล่าวว่า 1. รูปขันธ์ที่ไม่เที่ยงจำแนกเป็นรูปขันธ์ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นแน่นอน 2. ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสพระบาลีในวาระที่สามอีกว่ารูปขันธ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสภาพเสื่อมไปสิ้นไปสูญไปและดับไป เพื่อแสดงคําไวัยพ์ของรูปขันนั้นหรือเพื่อแสดงความเป็นไปแห่งการกําหนดโดยลักษณะต่างๆด้วยเหตุนี้การพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปขันจึงไม่เพียงแต่พิจารณาความไม่เที่ยงเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงการพิจารณารูปขันว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสภาพเสื่อมไป มีสภาพสิ้นไปมีสภาพศูนย์ไปมีสภาพดับไปนอกจากนั้นการกําหนดโดยลักษณะ40ว่าอนิจโตคือความไม่เที่ยงทุกขโตเป็นทุกขโรคตโตเป็นโรคดังนี้เป็นต้นก็นับเข้าในการพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข และไม่ใช่ตัวตนตามหลักของสัมมาสนญญาณดังข้อความในคำภีปฏิสัมพิทามักและวิสุทธิมักในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะ40นั้นไว้โดยย่อในเรื่องปฏิสังขารยานอันเป็นวิปัสนาญาลำดับที่ส0บผู้ที่กำหนดรู้รูปนามปัจจุบันแล้วรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างชัดเจน ย่อมเข้าใจว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นจึงมีความตั้งอยู่และความดับไปเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปย่อมไม่มีเมื่อมีการเกิดในภพก่อนความแก่และความตายจึงมีถ้าการเกิดในภพก่อนไม่มีความแก่และความตายก็ไม่มีแม้ในภพต่อไปก็เช่นเดียวกัน ความเข้าใจนี้สอดคล้องกับวาระที่สี่ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักว่าปัญญาในการกำหนดรวมในวงเล็บสภาวธรรมไม่ว่ามรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเมื่อไม่มีชาติชาราและมรณะย่อมไม่มีชื่อว่าสัมมะสนญาาการพิจารณาเห็นเหตุและผลคู่กัน อันเป็นองค์ของปฏิจจสมุปบาทโดยรวมเข้าในการสามนี้เป็นเพียงปัจจยะปริฆายานไม่ใช่สมสนายานดังคำพีอัตถกถาของปฏิสัมพิามักกล่าวว่าหนึ่งคำว่าชาติปัจจยาชารามรณงมรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยมิได้กล่าวไว้โดยความเป็นวิปัสนา สท่านกล่าวไว้โดยอ้อมว่าชื่อว่าสัมมาสัญาญย่อมมีได้เพราะกำหนดรวมปฏิจจสมุปบาทโดยความเป็นองค์หนึ่งองค์หนึ่งเท่านั้นสามแต่ยานดังกล่าวไม่ใช่กลาปะสมณญาญ ย, ยานพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มเป็นเพียงธรรมมถิติยานคือยานรู้เห็นความตั้งอยู่ของสภาวะธรรม คำอธิบายทั้งหมดนี้เป็นการประมวลการเกิดขึ้นของสัมมาสนายานทั้งหมดที่แสดงไว้โดยตรงในคำพีปฏิสัมพิทามักอัตถกฐาในที่นอกเหนือจากพระบาลีในคำพีวิสุทธิมัชได้กล่าวถึงวิธีกำหนดความเป็นไปของรูปนามตั้งแต่ปฏิสนธิวิธีกำหนดรูปเจอย่างและวิธีกาหนดนามเจอย่าง โดยเหตุที่นายแรกนับเข้าในข้อความจากพระบาลีที่นำมาแสดงไว้แล้วโดยย่อและเป็นการพิจารณาโดยอาศัยการเรียนรู้ของแต่ละคนอีกทั้งมีความพิสดารมากดังนั้นจึงขอแสดงเฉพาะในที่สองและที่สามไว้โดยสังเกตในที่นี้พร้อมด้วยวิธีปรับอินทรีย์ประการที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าใจ